นี่คือรายการธารรมราบรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆวันรายการธรรมรับรุญก็จะมาพบกับท่านผู้ฟั ง, งแต่เช้าอย่างนี้มาเปิดสถานีกันด้วยการฟังสิ่งที่เป็นมงคลการฟังธทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่เป็นพุทธวจนะในทุกตุกกวันก็จะมีธรรมารับไยบูนอภิปุนโนจากวัดป่าดอนไนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะมาเป็นผู้ที่นำเรื่องราวของธรรมะ มาเล่าให้ฟังอย่าว่าเป็นการฟังธรรมเลยบางคนอาจจะเครียดโอ้ธรรมะต้องอยู่ที่วัดหรือว่าจะต้องมีธรรมเป็นเรื่องเป็นราพิธีการอะไรมันเป็นเรื่องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราตื่นเช้ามาเราทำจิตให้สดใสเรายิ้มให้กันมีจิตเป็นหนึ่งมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นแหละมีธรรมะละอยู่ที่บ้านไม่ด่ากันไม่ว่ากันพูดดีๆใส่กันมีสัมมาวาจา นันะมีธรรมะละที่บ้านนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของที่อยู่ที่วัดอย่างเดียวไม่มีเวลาว่างทำไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้ น, น, นในทุกๆวันก็จะวันศุกร์ก็จะนำเรื่องราวของการอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพุทธวัจนธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ที่ได้มาอ่น้ฟังในวันพฤหัสและถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสนอแนะหรือว่าคาถามที่ จะให้มาตอบออกอากาศนะที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังท่านอื่นๆนะก็ให้เขียนมาได้จะเป็นทางจดหมายปริศนียบัตรก็ได้นะส่งมาที่ถนนวิภาวดีรังสิต ร, รายการธรรมราัฐารุณสถานีวิทยุกระจาเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตรกรุงเทพฯ10400หรือว่าถ้าสะดวกส่งมาที่วัดป่าดอนไหนโศกก็ได้เหมือนกันนะที่วันดป่าดอนไหนโศกตำบลดอนไหนโศกอำเภอนงค์อานจังหวัดอุดรธานี 41130หรือไม่ก็ใช้อ e ีเมลก็ได้แต่ถ้าสะดวกไปที่เว็บไซต์ก็เพียว e h a m m a .com p u r e d h a m m a c o m ในเจ้าหน้าที่ทางด้านหน้าใหม่ก็จะมีตมาพระไพบรณ์แล้วก็คุณเตืนใจซินดัวนิกกับเจ้าหน้าที่ทางหลังใหม่ต่างๆคุณทรงพลชูเวศคุณปัญญาชมจำปีหรือหลายๆท่านที่ช่วยเหลือกันอยู่ใน ในห้องส่งนี้ในทางสถานีนี้สําหรับในวันศุกร์เราก็จะได้นําการอธิบายความของสิ่งที่เป็นพุทธวจนะมาอธิบายให้ฟังโดยในตอนที่แล้วเรายังพูดถึงเรื่องของอริยสัจ ส, สกันอยู่นิดนึงนะว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทําให้คนอื่นเนี่ยมารู้ด้วยชักชวนคนอื่นเข้ามารู้ทีนี้อริยสัจ ส, สเนี่ยมันเป็นยังไงอาจาจะพูดย่อ เนื่องจากว่าเนื้อหานี้เป็นทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่สส่วนส่วนที่เป็นสนับสนุนให้รู้อริยสัจสกับอริยสัจเท่านั้นแตนะมีแค่2 ส, ส่วนส่วนที่เป็นอริยสัจี่เนี่ยคิดดูนะพระพุทธเจ้าตัสรู้แล้วก็สั่งสอนอยู่45ปี45ปีเนี่ยแล้วก็รวมที่บำเพ็ญทุกขะกริยาด้วยอีก6ปีบวรแล้ว52บปีพระพุทธเจ้าบอกบวกแล้ว51ปี ในห้ปีนี้เนี่ยก็รู้แค่เฉพาะเรื่องอริยสัจสีแล้วก็ทางที่จะไปถึงอริยสัจสีได้อันนี้หมายถึงเรื่องของอนุบุพิกาถาเรื่องที่ควรจะต้องรู้ก่อนเกี่ยวกับก่อนอริยสัจสนะคืออนุบุพิกถาคือเรื่องของทาตเรื่องของสีเรื่องของสวรรค์เรื่องของโทษในการออกจากกามแล้วก็อ น, นิสงส์งของการบวชอันนี้5อย่างเรีย อ, อนุบุพิกถาแล้วก็ส่วนอริยสัจสีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอธิบายเรื่องอริยสัจสีเนี่ย ก็คือใช้เวลาตลอดชีวิตน ะ, นะเรื่องอริย ส, สัจสมีระยยะแค่4ีแต่การอธิบา ย, ยมีได้โดยอเนกประยายปริชาว่างี้เพราะฉะนั้นเราก็จะพูดเรื่องคร่าวๆที่พอจะทราบได้ในอนริยสัจสีะก่อนอนริยสัจสี่คืออันแรกคือความเห็นชอบอันแรกขอไปอันแรกคือความทุกขนะ์ทุกข์เนี่ยอริยสัจคือทุกข์ความทุกข์เนี่ยคือข้อจริงนะที่มีอยู่หนึ่งใน4อย่างอย่างที่2ก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ ความทุกข์เรามีเนี่มีเหตุมาจากอะไรแล้วก็ความดับทุกข์มีอยู่หรือไม่อันนี้อันที่สามคือซึ่งว่ามีอยู่แล้ววิธีการล่ะจะเป็นยังไงก็คืออันที่4ในวิธีการที่ทําให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ในกระบวนการอริยสัจทั้ง4อย่างนีนะ้อันดับแรกเนี่ยทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือนี่ขันทั้ง5เป็นทุกข์ขันทั้ง5นี่ฟั ง, ฟงอาจจะงงๆเอา ถาเป็นขันเงินหรือขันทองหรือขันสัมฤทธิ์หรือขันสเตนเลสกันแนนะ่ขันในที่นี้เป็นภาษาบาลีแปลว่ากองเป็นกองสมมุติเราจะแบบบแ่งหนังสือทั้งบ้านรวมไว้กองหนึ่งเอาพวกเสื้อผ้าไว้อีกกองหนึ่งนะแล้วก็เอาพวก อ, อุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไว้อีกองหนึ่งนะพวกที่เป็นเกี่ยวกับช่างไม้ไว้อีกกองหนึ่งเกี่ยวอุปกรณ์ประปาไว้อีกองหนึ่งแบ่งเป็นกองกองอย่างนีนะ้ซึ่งของทั้งหมดที่พระพาได้บอกสอนไว้ ก็มีลักษณะเป็นกองกองอย่างนี้เหมือนกันโดยเราเอาสิ่งที่มันแตกได้หักได้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นกองหนึ่งอันนี้เกากองรูปเป็นรูปนะคือกิริยาที่มีคือสิ่งใจที่แตกหักได้อันนั้นเรียกว่ารูปกองไว้รวมหนึ่งอะไรก็ตามที่เป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ชอบไม่ชอบหรือว่าชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่ละกองไว้รวมอีกกองหนึ่งอันนี้นเรกากองเวทนาคือความรู้สึก ส่วนอะไรที่เป็นความหมายรู้คือความระลึกจําได้ว่าอ๋อ น, นี้สีเขียวนะอันนี้สีเหลืองนะอ๋อ น, นี้เดียกปากกานะเรนนียหนังสือนะพวกความหมายรู้ตรงนี้กองไว้อีกกองหนึ่งนะอันที่3อันที่4คืออะไรที่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแนะปลงเปลี่ยนแปลงให้อนั้นเป็นอย่างนี้พวกนี้รวมมาอีกกองหนึ่งแล้วอย่างสุดท้ายคือความรู้แจง้งนะเราเข้าไปรู้อะไรได้บ้างเรามารวมไมาอีกกองนึงเป็น5อย่างรูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณ ในเบื้องต้นเข้าใจอย่างนี้ก่อนก็อพอหลังจากนั้นก็จะมีต้นเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านี้คืออะไรพรุทธเจ้าก็พูดถึงตัณหาตัณหาแล้วก็จะมีตัณหาที่เกี่ยวข้องกับการตัณหาที่อยู่ในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นส่วนการดับไม่เหลือของทุกข์นี่ก็ดับได้เพราะว่าดับที่เหตุนั่นคือดับตัณหาซึ่งตรงนี้เป็นวิธีการที่ดีมาก เราจะแก้ไขอะไรเนี่ยเราแก้ที่เหตุนั้นดับเหตุแล้วมันดับเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเวลาหมอเนี่ยหมอเขามีวิธีการแก้แก้ไขโรคเนี่ยแทนี่ก็จะไปตามค่าเจ้าตัวเชื้อโรคใช่ไหมเขาก็แก้ที่เหตุของเชื้อโรคนี่คือเทคนิคทางการแพทย์บางเทคนิคนะเขาก็ไปทําลายอาหารของเจ้าตัวเชื้อโรคนี้ซะสมมุติเชื้อโรคเนี่ยกินสารอาหารประเภทนี้เราก็ไปทําให้สารอาหารประเภทนี้มันไม่มีนะก็จะเชื้อโรคนี้ก็จะตายไปเองอย่างนี้เป็นต้น เหมือนกันความทุกข์ถ้าเผือว่าเราทําให้ต้นเหตุของความทุกข์หายไปแล้วเนี่ยไอ้ทุกข์มันก็ดับไปเองแล้วจะทํำยังไงผู้เช่าก็จึงให้วิธีการที่4ไว้คือเหตุที่จะเช่นทางที่จะทําให้เหตุของทุกข์นั้นดับไปนั่นก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์แแล้วการรู้อริยสัจ ส, สเนี่ยก็จะทําให้เรามีตาครบนะ่ะเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยแม้ฉลาดมากเลยในการหาเลี้ยงชีพฉลาดพูดฉลาดทําฉลาดคิด แต่ว่าไม่ค่อยมีธรรมะนะคืออาจจะเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมอันนี้เรียกว่ามีตาข้างเดียวคนไหนที่มีการทำหามาหากินได้อย่างพอประมาณดีก็ได้หรือพอประมาณก็ได้แต่ว่าทําได้อยู่ล่ะแล้วก็มีตาเห็นธรรมะด้วยในการที่จะเป็นคนมีศีลตามรู้จักเดินตามธรรมะอันนี้เรียกมี2ตาแล้วก็อีประการหนึ่งคือมีตาครบเนี่ยก็คือทำได้แจ้งซึ่งกียสัตสัตต์ทั้ง4ี่ด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะมารู้อริยสัจสีได้นะี่นะพระดุษฎีก็พูดถึงคุณจะต้องมีเพื่อนดีเนี่เพื่อนดีในที่นี้ก็คือกัลายาณมิตรนั่นเองใ น, นกัลายาณมิตรเนี่ยจะเป็นทั้งหมดของพระมจรรย์อันนี้ได้ตรัสไว้กับพระอา น, นุ์เพราะว่าเพื่อนดีเนี่ยคนดีเนี่ยเขาจะชักชวนคนอื่นไปดีใ น, นคนชั่วท่า น, นเองจะชักชวนคนอื่นไปชั่วใ น, นคนดีจะชักชวนคนอื่นไปดีเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็ชักชวนมาปฏิบัติธรรมมาประพฤติธรรม ไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องมาวัดนะหรือไม่จำเป็นต้องว่าใส่บาทอย่างเดียวนะแต่เอาแค่ว่าเราไม่ด่า ก, กันไม่ว่ากันในมีการอภัยให้กันมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจา ก, กันคนชั่วเราก็ค่อยปิดกั้นอบรมสั่งสอนให้เขาเป็นคนดีอย่างนี้ถือว่าคุณนี่ก็สบายละในมีกเรียนมิตรละซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จะรวมอยู่ใน อ, ร, อ, อริยมรรคมี8ซึ่งกรียนมิตรตรงนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเออจะต้องเป็นตัวบุคคลนะอาจจะเป็นเพื่อนที่รุ่นดาวเขาวเดียนกันก็ได้นะ อันนี้ก็กรณีที่1นึ่งเจ้า ย, ยังพูดไปถึงอีกสองกรณีด้วยกั น, น, นคือกรณีที่2คืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์บุคคลอื่นที่เราอาจจะรู้จักคือเห็นตั ว, วตนหรืออาจจะไม่เห็นตัวตนก็ได้นะอย่างเช่นว่าเราอาจจะเอาคนใดสักคนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นตัวเขาหรอกแต่เรารู้จักเขานะเป็นตัวอย่างเป็นกรณีมิตของเราในการประพฤติตัวของเขาก็ได้อาจจะเอาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่ง เป็นครูเอ่อเป็นกา เ, เลนามิดของเราก็ได้นะหรือกรณีที่3ามที่พระเจ้าตรัสไว้าวาก็คือเอาสิ่งที่เป็นอริยมรรคมีองค์แปดเป็นกาเลนามิดคือเอาอันนี้จับต้องไม่ได้ด้วยดว ย, ดยทางกายนะเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรก็ไดนะ้ที่จะเป็นเพื่อนดีในการที่จะทําความดีของเราบางคนเจอสถ า, านการณ์ที่โอ้ยากลําบากมากเลยนะจะต้องมีการข่มห้ามบังคับใจตลอดเวลา ถ้ามีเพื่อนคอยเตือนว่าเออเธออย่าทาอย่างนี้นะเธอให้ทําอย่างนั้นนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีนี่คือเพื่อนเป็นตัวเป็นตนเห็แล้วก็จิตใจเราของเรานั่นแหละที่มีอริยามรรคเป็นองค์แนั่นแหละจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราซึ่งในเรื่องของอริยามรรคมีองค์แพระพุทธาก็ลงรายละเอียดไว้เยอะมากแตความเห็นชอบคืออะไรแต่ความดํางปริชอบคืออะไรการพูดจาชอบการงานชอบการเลี้ยงชีพชอบความเปลี่ยนชอบแล้วก็ ความระลึกชอบความตั้งใจมันชอบด้วยแต่8อย่างนี้ก็เป็นอริยมรตมีองค์8ถ้าเบอกว่าใครก็ตามในโลกนี้ปฏิบัติตามมรตมีองค์8อยู่พระอาหารหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เลยปุถุชาวางอย่างนี้เพราะ้นถามว่าในสมัยนี้มีพระอาหารหันต์อยู่ไหมเนี่ยแม่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นพระอาหารหันต์หรือว่าพระอาหารหันต์มีจริงอยู่หรือเปล่าพระอาหารหันต์เนี่ยนะอรหันต์อาหารอาหันที่เขากล่าวค้นว่าเป็น ผู้ที่ไกลจากกิเลสนะหมดแล้วซึ่งศัตรูคือราคัตโทสะโมหะมีอยู่จริงหรือถามเลยว่ามีอริยมรรคมีองค์แอยู่ไหมถ้ามีอริยมรรคมีองค์แพระอรหันต์ก็จะไม่หมดไปจากโลกโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายนี่เป็นพุทธวจนะนะทีนี้อ้าวแล้วทําไมเราไม่เห็นรู้เลยว่าใครเป็นพระอรหันต์ไม่เห็นมีป้ายบอกหรือว่าขึ้นมาที่หน้ผาผานิ่งๆๆๆฉันเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพระอรหันต์เป็นที่ไหน เป็นที่ใจแตนะ่ไม่ใช่ว่าปาดเลือดออกมาเป็นสีน้าเงินอ่าวคุณเป็นพระหลา น, นีมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นที่ใจเพราะฉะนั้นใจคุณก็จะต้องมีมันเป็นการยากอะ่ะที่สําหรับคารวาสที่จะเป็นยังเป็นผู้ยินดีในเงินทองนอนเบียดบุตรใช้สอยกระแจจันทร์จากแคว้นกาสนะีแล้วยังจะมารู้ว่าใครเป็นพระหลานไม่ใช่พระหลานมั น, ม, นมันยากนะก็เรื่องนี้เราจะยกไว้ก่อนทีนี้อย่างไรก็ตามในการที่จะ ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะมีลําดับขั้นนะคือหมายความว่าคือพระอาหารหันต์เนี่ยไม่ใช่ว่าเหมือนกันทุกองค์คือเหมือนกันที่วิมุตตันนี้ปรชาบอกถึงแม้ตัวพระองค์เองนะตัวพระองค์เองก็เป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์สาวกต่างๆในสมัยพุทธกาลก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ในสมัยนี้ก็เป็นพระอาหา ร, ระอาหารนนันต์ เ, นาหาเหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างดีกรีเนี่ยเกรดเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันยังไงถึงแม้ว่าผู้ที่เป็นภิกษุประเภทปัญญาบิมุต นะคือหลุดพน้นด้วยการรู้ชอบตามที่เป็นจริงเหมือนกับพระพุทธเจ้านะแต่ว่าความสามารถไม่เท่ากันนะคือเสมอนกันที่บิมุติชัยแต่ความสามารถตรงนี้ไม่เท่ากันอย่างไรบ้างไม่เท่ากันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เดินเรียกว่าเป็นผู้ที่กล่าวมักก่อนนะทำมักที่ไม่มีใครกล่าวให้เป็นกล่าวกันแล้วเป็นผู้รู้มักนะเป็นผู้ฉลาดในมักเป็นผู้รู้แจ้งมัก แต่ว่าสาวกอื่นๆตั้งแต่พระสารีบดลงมาทั้งหมดเป็นผู้เดินตามเท่านั้นเดินตามเท่านั้นเองนะเหมือนอย่างตะมาจาปรียบเทียบกับว่าวิทยุที่ท่านผู้ฟังฟังอยู่ตอนนี้หรือโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ตอนนี้ เ, เราใช้เป็นกดเบอร์เป็นหมุนคลื่นเป็นปรับเสียงดังค่อยเป็นใส่ฐานตรงไหนชาร์จยังไงเราทําเป็นหมดแต่รู้ไหมว่าวงจรข้างในมันทางานยังไงส่วนการส่งผ่านข้อมูลมันทากานยังไงเออแล้วคลื่นเสียงที่มันมาแต่นี้มันเดินยังไง มีอะไรเป็นตัวคูณมีอะไรเป็นตัวหารมีอะไรเป็นตัวส่งกําลังอุ้ยเราจะงงมากเลยแต่เพราะว่าความรู้ของคนที่ดีไซน์คนที่ออกแบบสิ่งนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกับเราเขาก็ใช้เป็นเหมือนกันเราก็ใช้เป็นเหมือนกันเป็นวิทยุเหมือนกันเป็นโทรศัพท์มือถือเหมือนกันแต่ว่าความรู้นี่คนละเรื่องแต่ลักษณะเดียวกันการรู้แจ้งมกักการเป็นผู้ฉลาดในมกักรู้ในมกักทำมักให้เกิดขึ้นก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าเก่งกว่ามาก คืบางคนอาจจะเข้าใจว่าในการสอนอื่นๆนะความรู้ด้านอื่นๆเนี่ยลูกศิษย์อาจจะเก่งกว่าอาจารย์ได้นะลูกศิษย์เนี่ยมีความสามารถสูงขึ้นกว่าอาจารย์ได้มีแต่ว่าสําหรับในคําสอนของสมมาสัมพุท ธ, ธาเนี่ยไม่มีพรุทธเจ้าเนี่ยเก่งที่สุดะจะพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปจะมีความสามารถก็มีความสามารถแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าสาวกจะไปมีความสามารถกว่าสมมาสมบู ธ, ธาเนี่ยไม่มีทาง ต่อไปคือเรื่องที่การสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็จะพูดเฉพาะเรื่องทุกเท่านั้นกับความดับสนิทไม่เหลือของทุกเท่านั้นคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยมีคําสอนอยู่แล้วต้อง62อย่างคือเขาเรียกว่าทิฏฐิ62นะคือจะพูดไปก็คือมีาศาสนาอยู่แล้วตั้งหกศาสนานัา่นแหละสมณโคโดมเนี่ยคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนามสกุลโคโดมใช่ไหมหรือชื่ อ, อสินทัต t นาสกุลโคดมก็บางทีอรรมะก็จะพูดว่าสมณะโคดมบางทีก็จะบอกว่าตถาคตบางทีก็จะบอกสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดสมณะโคดมตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีอยู่มาตั้งแต่ก่อนแล้วศาสนาทั้งหมด62ศาสนาทีนี้พอหลังจากตรัสรู้เป็นสนัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยความคิดที่จะประกาศศาสนาเนี่ยมันก็ไม่มีคือว่าไพูดไปแล้วคนไม่เข้าใจแล้วจะเป็นยังไงก็เหนื่อยเปล่า จนกระทั่งพรมสามบดีพรมเนี่ยมาคุยให้ฟังว่าเออมันจะเป็นไปเพื่อความตัวร่างของคนนะคนที่ยังฟังได้ก็มีนะคนที่ฟังไม่ได้ก็มีนะเราเห็นประโยชน์แก่คนที่ฟังได้ก็ช่วยบอกสอนเขาหน่อยพระเจ้าฟังแล้วก็มาใคร่ครว่ตามพิจารณาเห็นว่าโ อ, อ้ควรจะสอนก็ได้สอนแล้วก็เลยสอนขึ้นมาสอนขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เพื่อให้จุงคนให้เดินผิดทาง หรือว่าเพื่อที่ต้องการลาบสัการะเรสียงสรรเสริญเยินยอรหรือว่าต้องการเป็นเจ้าลัที่หรือว่าต้องการล้มล้างลัที่อื่นให้สิ้นไปหรือว่าต้องการเห็นว่าเราเป็นคนวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่แต่ว่าเพราะว่าเพื่อความดับทุกตําแหน่งจึงทําอะไรที่เป็นปัญหาเราแก่คุณไม่มีในบ้านคุณในบริษัทคุณในโครงการของคุณในที่ทํางานเนี่ยถ้าเป็นที่ทํางานที่มีปัญหาเนี่ยแล้วคุณรู้ปัญหาแล้วคุณไม่แก่ปัญหาเนี่ยคุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะ พราะนนพุทธเจ้าจึงบอกทางแก้ปัญหาไว้แนตะทุกคนมีปัญหาเหมือนกันคือเรื่องของความแก่ความตายความแก่ความตา ย, ค, า ค, าตายคุณจะทํายังไงใ ห, ให้มันไม่เป็นปนัญหาจะแก้ปัญหนานี้อย่างไรถึงเวลานั้นมาจริงๆโดยทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งแต่คําสอนของพระองค์เนี่ยตั้งแต่ตอนคืนแรกที่ตรัสรู้ตื่นลืมตาขึ้นมาเห็นพระอาทิตย์เนี่ยเป็นสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจนทั้งถึงคืนสุดท้ายที่ปฏิญญาผ่านด้วยอนุปปาทิเศ ส, สนิพพานธาตุนี้ในระหว่างนั้นเนี่ย ตลอด45ปีนั้นเนี่ยคำพูดของพระองค์เนี่ยไม่ขัดกันเลยนะไม่ขัดกันเลยสอดคล้องรับกันได้อย่างดีเพราะฉะนั้นนี่เป็นความสามารถที่พิเศษมากของพระพุทธเจ้านะซึ่งพระองค์บอกว่ากําหนดสมาธินิมิตทุกครั้งในการพูดนะคําพูดเหล่านั้นจึงไม่ผิดเลยโดยการพูดนีนะ้ก็พูดเฉพาะวาจาที่จริงที่แท้แล้วก็ประกอบด้วยประโยชน์อะไรที่ไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ หรือจริงหรือแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็จะไม่พูดแถมแถมให้อีกว่าแล้วถ้าไม่เป็นที่รักที่พึงใจของคนอื่นนะคือพูดเนี่ยต้องพูดวาจารจริงแท้แล้วก็ประกอบด้วยประโยชน์ละแล้วถ้าเป็นวาจาที่พูดออกเวแล้วเขาจะเขื่องแต่คนที่ฟังแล้วจะมีความขัดขืนเนี่ยก็จะเลือกให้เหมาะสมในเพื่อจะพูดเวลาไหนเช่นเดียวกันพูดไปแล้วเขาจะรักก็จะพูดให้เหมาะสมเหมือนกันว่าจะพูดเวลาไหน ก็จะพูดให้เหมาะสมเหมือนกันว่าจะพูดเวลาไหนเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรออกมาเนี่ยต้องรู้กลารเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองพรุทธเจ้านะแหมเก่งมากๆเลยแล้วก็เรื่องที่พระองค์รู้เนี่ยมากมายมห า, าศาลนะแล้วแต่ที่พระองค์สอ น, นนิดเดียวเองขณะสอนอยู่สีาปีนะสอนแล้วสอนอีกสอนแล้วสอนเล่าสอนโดยละเอียดเนี่ยยังแค่เท่ากับใบไม้ในกํำมือเมื่อเปรียบเทียบกับใบไม้ทั้งต้น ต้นนี้ก็ไม่ใช่ต้นพุ่มๆนะต้นสีสปาเป็นต้นไม้ใหญ่ก็เหมือนกับต้นประดู่หรือว่าต้นต้นมะม่วงอย่างเงี้ยลักษณะของต้นสาระต้นประดู่เนี่ยก็จะมีใบที่ดกมากแล้วก็ถ้าเราถือมาแค่สองสามใบกับมือเดียวเนี่ยเปรียบเทียบกับต้นไม้บนต้นนี้อ่น้อยมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยจึงมีอยู่น้อยถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่พระองค์รู้ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเราไปหารู้สิ่งภายนอก ในสิ่งที่จะไม่ทําให้เป็นไปเพื่อการดับทุกข์ของเราเนี่ยเราจะตายปเปล่าๆ เ, เกิดมาเสียเวลาเปล่าเหนือปรุชาเปรียบข้อนี้เหมือนกับคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วถูกลูกศรยิงเนี่ยถูกธนูยิงพอหมอจะมารักษาก็บอกว่าไม่ต้องรักษาหรอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งรักษานะขอไปตามดูรู้ก่อนว่าไอ้คนที่มันยิงเนี่ยมันเป็นใครมันผิวดําผิวขาวพ่อมันชื่ออะไรแม่มันชื่ออะไรมันเกิดมาอายุกี่ปีมันอยู่ที่ไหนแล้วก็มันเป็นคน ไข่ไหนมาจากที่ไหนใครสั่งมันมาจะไปตรวจสอบข้อ น, นี้ก่อนแล้วก็อาวุธที่ใช้ยิงเป็นอะไรเป็นเกาทันหรือหน้าไม้หรือว่าเป็นเกาทันก็เป็นลักษณะธนูใช่ไหมหน้าไม้ก็จะมีด้ามแล้วก็มีที่ยิงก็จะไม่เหมือนกันแล้วไอ้ธนูชนิดนั้นเนี่ยทำจากไม้อะไรสายเอ็นใช้อะไรขนไอ้ตรงที่ปรับระดับไม่ให้มันหมุนไปเนี่ยมันเป็นแบบไหนแต่นี่คือ ถ้าคุณจะไปตามรู้พวกนี้เนี่ยนะคุณตายเปล่าตายเปล่าๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราก่อนนั่นคือสิ่งที่เราจะอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยบางคนบอกต้องแก้ปัญหาเรื่องการเมืองก่อนต้องแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก่อนต้องแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายก่อนโอ้ยเราจะตายอยู่วันนี้พวกนี้เราไม่รู้เลยเราทําความดีก่อนนะเอ้าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อีกวันหนึ่งเราทําสิ่งอื่นก็ได้แต่วันนี้เรามีสติก่อนเพราะว่าถ้าเราตายไปวันนี้เนี่ยมันจะมันจะเสียเวลาเปล่าๆ พระเจ้าจึงให้เร่งทําความดีซะก่อนแล้วก็สิ่งที่พุะเจาไม่สอนไม่บอกก็คือเรื่องว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงไหมหรือว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดบ้างแต่ซึ่งเป็นคําถามที่ยอดทิตในสมัยพุทธกาลนั่นแหละก็าถามกันเหลือเกินว่าอโลกนี้มีไหมแล้วโลกหน้ามีหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะซึ่งพุทธเาก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้คือรู้อยู่แต่ไม่สนใจที่จะตอบเพราะมันจะเสียเวลาเปล่าๆในการที่จะมาตามเห็นรู้อริยสัจทั้ง4 แล้วก็ในการที่จะมารู้อริยสัจสีได้เนี่ยก็จะต้องอมีคําสอนที่พระองค์สอนบ่อยมากเพื่อให้สาวกทั้งหลายมารู้ถึงอริยสัจสีได้ในเรื่องนี้ก็คือการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงของใดไม่เที่ยงของนั้นก็ไม่ใช่ตัวตนของใดไม่ใช่ตัวตนของนั้นก็ไม่ใช่ของเราเป็นอ น, นัตตาคือรูปใบธนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงหมดเลยที่เรา ได้กุวิไปเมื่อสักครู่นี้ว่าสิ่งต่างๆในโลกแบ่งเป็นกองในโลกนี้ที่เราจับได้เนี่ยแค่รูปทางนั้นเองนะส่วนเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมที่อยู่ในจิตของเราเป็นกระบวนการธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วบุคคลใดที่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาเสร็จแล้วทําให้รู้ว่าโอ้สิ่งไหนเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เป็นตัวเราด้วย รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่ารู้อริยสัจสีรู้อริยสัจ ส, สอย่างนี้ก็เป็นยังไงก็จิตก็เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมันไม่ยึดมั่นถือมันก็ชื่อว่าหลุดพ้นละปล่อยวางละหลุดพ้นปล่อยวางแล้วจิตจึงดำรงอยู่จิตนี้คือจิตที่สะอาดดำรงอยู่เนี่ยเป็นจิตที่ไม่ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นจิตที่สะอาดดำรงอยู่เนี่ยจึงสบายสบายแล้ว um ก็ไม่หวัสดุลงตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอก เมื่อไหวหวาดสะดุงก็ดับดับในที่นี้คือดับจากความทุกข์ทั้งหมดนะว่างสบายเวลาเราไปเที่ยวต่างประต่างจังหวัดอย่างเงี้ยหลังจากที่ตร า, ากตรำทํางานมาตลอดทั้งปีไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อที่จะไปอยู่สบายๆไม่ต้องคิดอะไรมาก็กลักษณะนี้แหละนะเป็นผู้ที่อยู่ว่างๆสบายๆก็จะเป็นผู้ที่ปณินิธานเฉพาะตนนะก็จะตสรุปเป็นพระลานได้สำหรับบุคคลที่ทํา ปล่อยวางขันทั้ง5ได้แล้วคนที่ปล่อยวางไม่ได้นี่เพราะอะไรเพราะว่าเขาเข้าไปหาเข้าไปยึดคนเข้าไปหาเข้าไปยึดก็หลุดพ้นไม่ได้แล้วที่ปล่อยวางได้นี่เพราะอะไรเพราะไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปยึดถ้าไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปยึดก็หลุดพ้นได้แต่ไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปยึดเนี่ยทายังไงคือจิตของเราเนี่ยมันจะเข้าไปยึดในสิ่งต่างๆนาจจะอาศัยปากกาก็ได้รองเท้าก็ได้กระเป๋าก็ได้รถก็ได้ มาเป็นตัวยึดอารมณ์หรือเอาแค่ความเห็นสักอย่างใดอย่างหนึ่งพ่อเห็นอย่างนี้แม่เห็นอีกอย่างหนึ่งลูกเห็นอีกอย่างโน้นนะมันยึดในความเห็นนั้นๆนัๆ้นๆนะมันก็หลุดพ้นไปไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยวางอารมณ์พวกนี้ได้ในความรู้สึกอารมณ์ความคิดความหมายมั่นสิ่งที่เป็นของจับต้องได้ทั้งหมดเราปล่อยวางได้ด้วยแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่หลุดพ้นได้ อีกประการหนึ่งในเรื่องของอาการทํางานของจิตของเราเนี่ยคือบุคคลต่างๆในโลกเนี่ยที่บางคนเราเห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะนะจะเป็นประเทศไทยก็ตามหรือต่างประเทศก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยปัญหานั้นเนี่ยเพราะว่าเราอาศัยที่พึ่งผิดห ม, มหมายความว่าไงหมายก็เราถูกความกลัวเพราะเรามีความกลัวเช่นกลัวไปธรรมชาติบ้างอย่างสมัยก่อนเนี่ยฟ้าผ่าใช่ไหมเขาก็กลัวคิดว่าโอ้พระเจ้าลงโทษ แต่เขาจึงยึดถือเอาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บางป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์บางว่าเป็นที่พึ่งของต น, น, นหรือในสมัยเนี้กลัวว่าภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ไปบนบานสารกล่าวกับต้นไม้บ้างไปเอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นที่พึ่งบ้างพุรุษชาติบอกที่พึ่งนั้นจะไม่ทําความเกษมให้ได้เลยเพราะสิ่งนั้นก็แตกตายเหมือนกันบางคนเอาพระพุทธรูปเป็นที่พึ่งพระพุทธรูปก็จมน้าเหมือนกันบางคนเอาสิ่งไหนที่มัน เป็นรูปเนี่ยนะเป็นของแข็งจับต้องได้เป็นที่พึ่งเนี่ยก็ไปเหมือนกันหมดถูกน้ําท่วมหมดเหมือนกันเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วไงไม่ใช่พึ่งเฉยๆแต่ว่าพึ่งแล้วเห็นอริยสัจ4ีด้วยปัญญาเราต้องใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้ง4ด้วยปัญญาเราจึงจะเรียกว่าใช้ที่พึ่งอย่างถูกต้องก็จะทําให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้ แล้วก็ในการฝึกตรงนี้เนี่ยการที่เราจะเห็นอริยสัจ ส, สีได้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ยังพูดถึงการที่จะต้องให้มีความสามารถในการที่จะประกอบกุศลธรรมนะในที่นี้ก็คือทำกุศลธรรมด้วยหีริอัตปะความกลัวความละอายต่อ บ, บาปโอ้ยจะทําบาปฉันไม่ทำหรอกกลัวหรือว่าจะทําบาปโอ้ยละอายเดี๋ยวคนนั้นก็จะว่าแล้วก็มีความเพียรมีปัญญามีศรัทธาแต่ถ้ามีอย่างนี้เนี่ย มีหอย่างนี้เนี่ยจะทําให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมไดนะ้แต่ถ้ายังไม่มีพรนะเจ้าจึงต้องคอยจาจี้จาใจขนาบชี้แจงให้เห็นว่าเออต้องรีบทํานะหมายความว่าอย่างคนที่เขาออกมาทําไม่ดีไม่งามผิดศีลธรรมเช่นขาคนด่าคนอื่นทําไม่ดีผิดศีลธรรมเนี่ยเพราะาเขายังจิตของเขายังอ่อนยังไม่รู้เรื่องว่าโอ้ที่เขาทำเนี่ยเขาจะต้องได้รับนะต้องได้รับผลของกรรม เหมือนเด็ ก, ดกน้อย เ, เขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็ไปจับเตารีใช่ไหมมันร้อนๆเนี่ยมันไม่เห็นว่ามันมีสีสันอะไรพอไปจับปุ๊บอ่าวร้อนหดมือเข้าแต่พี่เลี้ยงก็ต้องคอยเตือนคอยดูพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเด็กที่ยังอ่อนยังไม่รู้เรื่องอะไรคว้าชิ้นกระเบื้องเข้าไปในปากพี่เลี้ยงเห็นก็ต้องรีบควักออกมานะถึงจะเลือดออกก็ต้องทําล่ะเพราะว่าหวังความปลอดภัยในในเด็กถ้าลงไปลึกกว่านี้จะยิ่งเป็นอันตรายเหมือนการพระเจ้าจึงต้องคอย ชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบเพื่อให้เราออกจากบาปก็เป็นหน้าที่ของอาตมาเหมือนกันถ้าบว่าเห็นท่านผู้ฟังได้ยินท่านผู้ฟังทําสิ่งไม่ดีไว้งามเราเราก็จะคอยเตือนใช้รายการวิทยุนี่แหละเป็นการคอยเตือนสังคมว่าเฮ้ยคุณต้องทําความดีนะอย่าไหลาไปในตามสิ่งที่ไม่ดีอะไรที่เป็นกระแสที่ไม่ดีเราไม่ไปอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราทำเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าคุณจะต้องมีศรัทธานะมีฮิริโอตปะนะมีวิริยะแล้วก็มีปัญญา ถึงจะเรียกว่าเออสบายใจได้พอคุ้มครองตัวเองได้ในรายการธรรมะรับรุนวันนี้ก็จะต้องขอลาท่านพวงไปก่อนแล้วก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นส่วนของสักกฉามีคำถามใดใดก็เขียนส่งก็มาได้ที่ตรงเพียวธรรมะไปที่เว็บไซต์ก็ได้เพียวธรรมะ com หรือว่าที่ทางจดหมายที่สนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพห1ึ่0ก็ได้แล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในวันต่อไป จะริบพัน